ทรงอนุญาตอตัตเรกจีวอนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธทำมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทรงอัตเรกจีวอนได้10วันเป็นอย่างมากแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสีขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้